ให้มีสิทธิเส ม, มอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่ า, า, าศาสนาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อาศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะาศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทาลายที่ดูใครจะให้สิทเส ม, ม, มอภาคให้มี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 หนมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูประทานังบุตตดาและสัมกหัวให้อุปธรรมปัญหาดูแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้องมีความไม่เงินเป็นจูบย้าเกิดความกระทบกระทนอันใดทีด่เป็นการอบช้มพันาจิตใจแล้วการสงการสงฆ์พรนยาบุตร ปุตรารลัสสังกหูมีความจงครอบบุตรปรญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้อาศาสนามันเป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่ที่สุ น, นัขเขจะเดือดร้อนอไปแย่งเาหางมันก็หวงที่ไปแย่งหางมันมันกัดออกหาสุ น, นัขมันทำ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 สถานที่นั้นเลยเป็นความเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลํำดับมีกิจกรรภาวนาเป็นสําคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลําดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอําน้าแห่งตปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผา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 เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิต ด, ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ตร่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อขวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ยอ่อมย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย นี่เห็นความสําคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจรศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทําก็ตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่ง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 นีเรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนักล้หนัรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันใจก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกาหนดเข้าภายในปิดใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบา้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 ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนัะอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจก้าหาญขึ้นตามความเปลี่ยนตามความพยายามตามความสงเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงอ่ะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่าาาหนุนอวกาศนั่นทีเพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยนี่นึดูสิเนรอผลเห็นเห็นประจกักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณานอยู่โดยลําดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์สทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกาย แก่ไขหรือถอดถอนนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลําดับขาดไปโดยลําดับลำดับผมสุดท้ายก่อแยกอูบเสียงกลิ่นลดเครื่องทั้งผัดก็แยกออกกันได้จากกันได้อุเวกนาัิยาทั้งฐานินยานก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้อไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก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 แลอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จจ้พระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายกล่ฟ้องโดยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเึลิงผ่านบ้าอํานาจบ้าศานาบ้าความรู้วิชาโลกมันน้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยาก ใหญ่ใหญ่โตใหญ่คลองโลกคลองสงสารทั้งทั้งติดตายชาติก็ปิดกับตัวก็ไม่งงดูบ้าลืมตายอนี้มันทําให้โลกมันร้อนแต่เดี๋ยวที่จะนาวความตายละวันสักสองหนเท่านั้นคือพอจะมีเบรคห้ามร้อนบ้างงั้นโลกเขาจะได้เย็นตัวเองก็จะเลยมีเย็นบ้างนี่พวกเราพูดต่อผู้ปฏิบัตินั้นถึงควรให้มีทั้งหันเล่น